พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเรามาประชุมกันในศาลากา ร, ปรเปรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกผลจิตอันนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น เพราะจิตนี้ยังไม่ดีจิตนี้มันยังวอกแวกอยู่ยังวนไว้ไปเรื่องไปดยเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกอยู่นี่นะสาเหตุที่จะต้องฝึกกันนั่นนะยังมีโลกยังมีโกรธยังมีหลงอยู่ ถ้าใจยังสะสมกิเลสได้อยู่อย่างนี้นี่มันหาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์การที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะมันมีกิเลสครอบงามจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ถ้าหากว่าไม่มีกิเลสดังกล่าวมานครอบงามจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายและสัตว์โลกทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเช่นนี้จกไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนคนให้ละชั่วทำดีไปทำไมในเมื่อมนุษย์ก็ดีกันหมด ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็มีชีวิตยอยู่ยั่งยืนนานอย่างนี้นะไม่มีไม่มีใครปราศานาเป็นพระพุทธเจ้าดอกดั น, นั้นให้ทักันเข้าใจความหมายของการนับถือพระพุทธศาสนานี่นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาขัดเกล้า กายวาจาใจของตนนี่แหละไอ้มันสะอาดปราศจากกิเลสปราประธรรมเรื่อยไปแต่รำพังความรู้ของเราโดยตรงนั่นแะมันไม่ไม่มีความสามารถที่จะลากกิเลสได้เราต้องได้น้อมรับเอาความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมาใส่ตนเอามาใส่ใจของตัวเองไว้ พระพุทธเจ้าจึางได้ทรงตรัสไว้ว่าสันเลขาปฏิบัติหรือว่าสันเลขธรราธรรมแปลว่าทมขัดเกลากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเช่นอย่างทูดงขวัตอย่างนี้นะวัดเกี่ยวกันกรรม การอยู่การกินวัดเกี่ยวกับการจเจริญพระกรรมฐานอันนี้พระาศาสดากระรงแสดงเป็นข้อวัดไว้แต่ไม่ไม่ใช่เป็นวินยัยปไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ สำหรับผู้ที่จะฝึกฝนจนขาดกลาวกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนก็จะได้สมถานมั่นลงไปอย่างนี้แหละอย่างว่าสมทานไปเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดอย่างนี้นะคนผู้รักสวยรักงามหลงไหลในรูป เสียงกลิ่นลดอันสวยสดงดงามเช่นนี้จิตใจมันก็สงบลงไม่ได้มันวัวแต่เพ่งออกไปหาลูกสวยๆงามๆดังนั้นถ้าหากว่าได้ไปเยี่ยมป่าช้าเข้าไปไปเห็นซากศพไปเห็นเต่าเผา เข้าไปแล้วไปเพ่งพิจารณาดูซากศพที่ตายแล้วหมู่นั้นก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ารูปร่างกายของคนเรานี่เมื่อจิตวิญญาณถอนออกไปแล้วมันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วไม่มีอะไรที่น่ารักน่าชอบใจสักหน่อยเดียว อันที่น่ารักน่ายินดีอยู่นี่มันโดยอาศัยว่าดวงจิตนีณยังอาศัยอยู่ในร่างนี้เท่านั้นเองดอกบุญกรรมยังหล่อเรียงรักษาไว้ไม่ให้เน่าไม่ให้เปือ่อยไม่ให้สง่งไม่ให้งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วเพียงเท่านั้นเองเนี่ยมันจึงพอดูกันได้พอสังคมกันได้ นี่ถ้าว่าโยคาวะจรรอรผู้ประกอบความเพียรหากได้ไปเยี่ยมป่าช้าบ่อยๆเข้าของคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจิตใจมันก็มาผูกพันอยู่นี่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เท่าเหตุที่มันไม่รู้เท่าก็เพราะ ไม่ได้เพ่งพิจารณามันตกเป็นธาตุแห่งตัณหาตกเป็นธาตุแห่งความรักความใคร่สาเหตุที่มันไม่ได้พิจารณานั่นนะเลยว่าคารืหัดไม่ว่านักบวตรกิเลสตัวเดียวกันเนี่ยคารืหัดนี่ก็ เป็นผูม้มากๆในกามแล้วก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจรากรรมทำชู้กับสามีหรือกับภรรยาของคนอื่นนี่คนไม่มีสันเลขาปฏิบัติไม่พยายามขาดเกลากิเลสอันมันหนาแน่นอยู่ในใจนั้นให้เบาบางออกไปเลยมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปได้ เป็นนักบวชก็ร่วงวินัยอันร้ายแรงเป็นคฤหัสถ์ก็ร่วงศีลอเป็นอย่างนั้นกิเลส ต, ต่างๆเหล่านี้เมื่อสะสมมันไว้มากๆเข้าไปแล้วมันทำให้เป็นเหตุให้ได้ทำบาปพูดไง่ายแล้ไหมอ่าก็พระ เ, เจ้านั้นแ่ะพระองค์สงสารสัตโลก ไม่อยากให้ตัดโลกคำบากรทำกรรมอันชั่วร้ายจึงได้รทรงรแสดงข้อวัดปฏิบัติไ้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเธอเอาเป็นแนวทางปฏิบัติไป mm hmm. แต่คนส่วนมากมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสปัญหาแล้ว มันจึงไม่สามารถที่จะน้อมรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติตามเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่ารักกิเลสมากกว่ารักตัวเองคำนี้นะลองพิสูจดด์ดูนั่นถ้าคนเรานะรักตัวเองยิ่งกว่ากิเลสแล้ว จะต้องรับเอาข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพื่อํำละตทีมัวหมองเรื่อยกิเลสบาปประรมนี้ให้เบาวางออกไปเหล้วตนจะได้มีอิสระเสรีอยู่ในตนของตนจะไม่ได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัญหานั่นแหละ จึงเชื่อว่าผู้รักตนโดยแท้จริงรู้ว่าตนนั้นน่ะถูกจำจองอยู่ทุกวันนี้น่ะเครื่องจำจองนี่มันเหนียวแน่นเหลือเกินน ะ, ะไม่ว่าครือหัดยไม่ว่านักบวชบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเล่นเล่นลอยๆอยอยู่เฉยๆอย่างนี้นะ มันก็โขกกิเลสตัณหามันร้อยรักเอานั่นเลยก็ <Mull> um> เห็นจะแก่รับแก น, นอนไปอย่างนั้นนกิเลสตัณหามันไม่ต้องการยังให้คนลุกขึ้นทําความเพี้ยนหรอกให้มันชอบหลับชอบนอนชอบโย ช, ชอบกินชอบนนันุกตสนานไปอย่างนั้นสายของกิเลสตัณหาน่ะ นี่สายของธรรมะคำสสอนของพระพุทธเจ้านั่นเออ้องสอนให้คนมัน่นคนข ย, ยันติมโดยลูกเท้าทำความเพียรชำระกายวาจาใจของตนให้มันสะอาดสะอา้านอย่าไปชำระตั้งแต่ น, น้ำเท่านั้นกายวาจานี่ต้องชำระด้วยศีลโดยข้อปฏิบัติ เป็นผู้สัมรวมในศินให้บริสุทธิ์ด้วยดีอย่าไปเจตนาล่วงสินที่ตนสมทานมาแล้วเอาศินนี่แหละล้างความประพฤติทางกายให้มันบริสุทธิ์เข้าไปเอาสินล้างความประพฤติทางวาจาหมายความว่าปกติคนผู้ไม่สมทานศินเนี่ย ก็เมื่อเจอบาปก็ทำบาปเข้าไปได้พูดในเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่พบก็ไม่ทำํทำบาปนั่นแหะถ้าพบเข้าแล้วทนไม่ไหวทำนี่ธรรมดาคนสามัญทัว่วไปเป็นอยู่อย่างนี้ดีนี้เมื่อมองเห็นว่า ตนนั้นมันสะสมบาปไว้มัวหมองเต็มทีแล้วตนสะสมสิ่งที่มีพิษเข้าไว้ในต้นรู้อย่างนี้แล้วทําอย่างไรจึงจะคลายพิษเหล่านี้ออกจากตนได้อก็สมาทานมั่นในศีล เ, เมื่อสมาทานมั่นในศีลแล้วก็เคารพศีลจริงๆแบบนี้ไม่ยอมล่วงเกิน ตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆง น, น, นั่นแหละอันจึงเรียกว่าเอาศีลนั่นมาล้างกายวาจานี่ให้สะอาดสะอ้านได้เอาสมาธนันมาล้างดวงกิจนี่ที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆที่มันหลงไหลไปด้วยอำนาจแห่งความรักความชังอยู่อย่างนี้ ที่มันชอบกับความหลับความนอนโมนี่เราต้องเอาสมาธินี่แหละมาล้างมันเมื่อฝึกใจได้ให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วไอกิเลสเหล่านี้มันก็ย่อมระงับลงถ้ า, าว่าใจไม่ตั้งมั่นแล้วกิเลสเหล่านี้มันไม่สงบลงได้มันเปน็นยาง้น เช่นเพ่งอสุภากรรมฐานเข้าไปอสุภาษิมิตบางเกิดขึ้นแล้วจิตเกิดเบื่อหน่ายในรูป ก, กายอันนี้เข้าไปมล้วก็คลายความรักอเมื่อความรักมันถอนออกไปจิตก็สงบลงนี่ถ้าหากว่าจิตผู้าใดถูกความรักมันครอบงำนี่ยถ้าอสุภากรรมฐานปรากฏในใจแล้ว ความรักมันก็สงบลงใจก็สงบลงไปพร้อมกันแหละกับความรักที่มันสงบลง่ะเป็นอย่างนั้นผู้เรเจริญเมตตาแผ่ในตรีจิตที่ไตรสัตว์เป็นศุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอเสมออย่างนจนทิน้นจนติดทิศไซอ์ก็เมื่อเผลอ ความโกรธมันเกิดขึ้นในใจเช่นนี้รู้ตัวแล้วก็ริษเจริญเมตตาธรรมนี่ให้เกิดขึ้นในใจได้ทันทีเพราะว่าตนเคยเจริญเมตตามาเป็นพินใจแล้อย่างนี้นะพอนึกถึงเมตตาเวลาใดเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ระงับลงจิตใจก็สงบลงไปเช่นเดียวกัน น, นั่นแหละได้เรียกว่าเอาเมตตาธรรมเนี่ยมาล้างความโกรธความพยาบาทความโกรธไว้ในใจเนี่ยให้เบาบางออกไปไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นนะที่จะมาล้างความโกรธความพยาบามนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจไม่มีต้องมีเมตตานี่ เมตานั่นกับสัจจะนั่นเนสัจจะความจริงใจเมื่อทนได้สมทานศีลแล้วก็ไม่ยอมล่วงศีลนั้นเด็ดขาดเลยตายเป็นตายอย่างนี้นะนั่นแหละอันนี้อันหนึ่งจะทำส ก, กัดกั้นความโกรธไม่ให้รุนแรงขึ้นในใจเมตตาธรรมนี่เป็นการขาดขาดเก้า ดวงจิตที่ถูกความโกรธมันครอบงำอยู่มันหุ่มพออยูอ่ให้ค่อยเบาบางไปเรื่อยๆดวงจิตนี่ก็สะอาดไปเรื่อยๆเมื่อความโกรธความวาบากมันเบาบางลงเอาความขยันหมั่นเพียร น, นี่ เข้ามาลบล้างความขี้เกียจที่คลานง่วงเหงาหาวนอนตั้งความเพียรลงไว้ในใจตั้งความอดความทนลงไม่ปล่อยใจปล่อยกายให้อ่อนแอไปตามความขี้เกียจที่คลานาง่วงเหงาหาวนอนโมเนียตั้งความขยันหมั่นเพียรขึ้นในใจหมายความว่าอย่างนั้น พอใจในการงานในหน้าที่ที่ตนจะพึ่งทำไม่เบื่อหน่ายต่อหน้าที่การงานต่อข้อปฏิบัติเช่นตื่นดึกลุกเช้าไหวพระสวดมนต์เป็นประจำอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นสันเลขาปฏิบัติอันหนึ่งนะ เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้ค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยการไหวพระสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนารวมมู่สามัคคีกันอันนี้มันก็เป็นกำลังใจอันนึงทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นถ้านั่งภาวนาแต่ลำพังตัวเองสู้ความง่วงเหงาไม่ไหว ตู้ความที่เกียดที่ค้านไม่ไหวอะไรมบอนี้นะนั่ น, นแหลเราจึงต้องมานั่งรวมเป็นหมู่กันเพื่อฝึกนิสัยใจคอให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรไปตามตามกันผู้ใดเคยเกียดค้านอ่อนแอมาเห็นคนอื่นเข้มแข็งกลัวตนเข้าไปตนก็จะได้เอาอย่าง ติดนิดไยไปอุปนิสัยวาทนาเนี่ยสาคัญนะไอ้พึ่งเข้าใจผู้ใดฝึกตนไปอย่างไรมันก็ชอบเป็นไปอย่างนั้นแหละฝึกตนให้เป็นคนเกียดข้านเนีนแก่หลับแกนอนอย่างนี้มันก็จะเป็นนิสัยติดตามไปอยู่นั้นแหละ ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์อะไรฉานก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมคนมักหลับมักนอนกรรมมันก็แต่งให้ก็งูเหลือมนี่มันมันมกนอนนอนตั้งหลายวันทีเดียวถ้าลงได้นอนแล้วนั่ น, นแหละถ้าเมื่อมีสัตว์อะไรวิ่งมาห่านเข้าไปอย่างนี้มันจึงตื่นตื่นกัน รัดตัวสัตว์นั่นเข้าไปกินเป็นอาหารอ่าพอกินอิ่มแล้วก็นอนเหยียดยาวอยู่นั่นแหลอะอืนเพราะสัตว์มันเซื้อผ้ามันวิ่งไปไปผ่านมันเข้ามันก็นรัดตัวเอาอ่แล้วก็กินอย่างนั้นงูเหลือม อ, อันนี้คนเราก็เหมือนกันแหละอืม คนเกียร์คันเห็นแต่ก่หลับแก่นอนแล้ววันนี้การงานไม่ค่อยจะทำมันก็คิดไปรักไปขี้ไปพร้นเอาคนอื่นนะของเอาสมบัติของคนอื่นนะั่ะมาบริโภคใช้สอยอมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเขาทำไว้ดีดีแล้วอย่างนี้เห็นว่ามันไปช่วยเอามาได้ง่ายๆ เออเอาถ้าเป็นข้าวก็สวยเอามาโงต้มกินทันทีเลยอย่างนี้นะไม่ต้องไถไม่ต้องคลาดไม่ต้องวานต้องปักต้องดั้มอะไรอะไรก็ตามแหละนี่ขึ้นชื่อว่าคนเกียดข้านแล้วส่วนมากมันก็กลายไปเป็นโจรขโมยนะมถ้าเป็นโจรม่ขโมยขยันดีเพราะว่า ถ้าไม่ขยันก็จะไปลักไปขี้ปล้นเขาก็ไม่ได้อันนี้หละต้องพากันพิจารณาให้ดีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นสันเละขะปฏิบัติจริงๆเป็นเครื่องขัดเกลาดีเลตตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจาก จ, จิตใจความเป็นผู้เจริญอ น, อนาปานสติ เฮงลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันก็เป็นเครื่องขัดเกลาอุดทัศจ์ ก, กุกุศลนิวรณ์กิเลสกองนี้มันทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมั่นเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ได้ถ้าหาว่าผู้ใดเมื่อจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วไม่มานั่งสงบจิต เพ่งลมหายใจเข้าออกอย่นี่จิตนี้มันจะไม่ยอมหยุดนิ่งเลยจะไปเจริญกรรมฐานอื่นๆไม่ทางยิ่งพุ่งไปใหญ่เลยมังนั้นทุกคนจำเอาไว้ในคราวใดถ้าหากว่าจิตของตนมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยและอย่างนี้อย่าไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นให้มา นั่งสมาธิเอาไว้แล้วตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวก็จิตสงบลงได้นี่เลยธรรมะเครื่องขาดเก้ากิเลสนะพิจารณาให้ดีอย่าเพียงแต่จำลวกลวกไปได้เฉยๆแล้วไม่ได้น้อมเข้ามาพิจารณา ไม่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางออกไปได้เรื่องของเรื่องนะบุคคลผู้ขยันมันเพียนศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆข้างทา ง, ทา ง, ทางโลกและทางธรรมอย่างนี้ มันก็เป็นเครื่องกำจัดความลังเลสงสัยในวิชาการนั้นๆได้ดีโดยเฉพาะในทางธรรมนี่แหละการที่บุคคลมาสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องสวรรค์เรื่องโลกหน้าเรื่องนรกอะไรมู่นี้นะนี่ถ้าหากว่าไม่ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้หรือว่าไม่ ท่องบนจดจำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะคลายความสงสัยเสียได้หรือไม่ฉะนั้นก็ไต่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายในเรื่องที่ตนคล้องใจโดยเฉพาะอ ừ, ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังจนหายสงสัย นี่ก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสคือความสงสัยลังเลในใจให้เบาบางออกไปได้นี่กิเลสอันนี้เป็นกิเลสชั้นกลางเป็นกิเลสอย่างกลางนี่พระองค์เจ้าก็ทรงแสดงธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติสำหรับขัดเกล็กิเลสประเภทนี้ออกไป เป็นอย่างอย่างดังกล่าวมานี่แหละผู้ไม่ศึกษาเราเรียนจดจำหรือผู้ไม่ได้สดับตรับฟังจะไหนแล้วจะเข้าใจธรรมะเอามาขัดเกจริจลิตนิสัยอันนี้ให้กิเลสมันเบาบางออกไปได้เล่านั่นแหละบางคนศึกษารู้แล้วมันก็ไม่ ไม่ลงมือปฏิบัติมเมาแต่ขี้เกียจขี้คลานอย่างนี้นะแล้วกิเลสมันจะเบาบางออกจากกิจใจได้อย่างไรเหมือนอย่างคนป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้แหละหมอจัดยามาให้รับประทานแล้วแต่ต้นเบื่อรสยายามันขมบ้างมันเฟื่อนบ้าง อะไรมันนั่นเนี่ยไม่อยากรับประทานเอาตั้งไวเ้เฉยๆยานั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อคนป่วยโรคก็ไม่หายมันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคำสอนของพระเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วเรียนจำออกมาแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตาม ิเลมันก็ไม่เบาบางออกไปจากกิจใจก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจปริยัตปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจจะครองให้ร่วงลุกกรองโดยตรงนั่นเลยให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยตรงเลยปริยัติกับปฏิบัตินี่เป็นคู่กันไป ดังนั้นทุกคนได้พึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าผู้ใดยังไม่สนใจที่จะปฏิบัติขาดเกล้นนิสัยใจคอที่กิเลสทุ่มห่ออยู่อย่างว่านี่แล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะเที่ยวตายเที่ยวเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้มไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบ ก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าไม่ยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะอะไรอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทางนั้นเลยให้พาการเข้าใจเริ่มแต่ความเป็นอยู่ ที่โยที่อาศัยก็ต้องมีต้องจัดต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมู่นี้นะไม่ใช่อยู่อย่างสก็ปกโสมมอันนั้นเรียกว่าจะว่าเขาจะว่าเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีก็ถูกต้องเรียกว่าเป็นคนที่ล่าหลังไม่มีความรู้ความฉลาด ที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้โ ย, โยกันอย่างไม่มีระเบียบอย่างนี้สิ่งของต่างๆทิ้งเกะกะไว้ทั่วเศษอาหารเศรษอะไรต่ออะไรก็ทิ้งเกินการไปไม่จัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางไม่ชำระให้สะอาด หมู่นี้ผ้านุ่งผ้าห่ม อ, อะไรก็ทิ้งเกะกะไว้ทั่วเอาใส่เข้าไปแล้วเหงื่อใครติดกับกังเหม็นฟุ่งก็ไม่ซักไม่ฟอกมันเน่ามันมันเหม็นกัดดมเหม็นไปอย่างนั้นเลยคนขี้คลานนะอันหมู่นี้นะไม่ใช่เป็นอาไม่ใช่เป็นอารยชนนะ เป็นอาณาญาชนเป็นบุคคลผู้เสื่อมเป็นบุคคลผู้ไม่เจริญคําว่าอาณาญาชน่ะเป็นอย่างงั้นอาญาชนนี่หมายความว่าเป็นบุคคลผู้ชอบความเจริญชอบความเป็นผู้มีระเบียบชอบความก้าวหน้าไม่ชอบถอยหลัง ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็มุ่งหน้าที่จะปฏิบัติขัดเกลาราโทสะโมหานี้ให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจสันดานจริงๆถ้าเป็นฆเรหัดจยนี้ก็ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากายว า, าใจของตนให้กิเลสมันน้อยเบาวางออกไปจากกิจใจเช่นเดียวกันก็อาจจะ ห่างหรือทีกูกันเท่านั้นเนี่ยอนักบวดนี่ถ้าพอมีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่เพราะไม่ได้คุกทีอยู่ด้วยครอบครัวตัวเรือนพูดง่ายๆว่าไม่คุกทีอยู่ด้วยลูกด้วยเมียด้วยผัวด้วยใครต่อใครเนี่อันครอบครัวนี่มันมีวุ่นอยู่อย่างนั้น หาความสงบได้ยากเลยเพราะมันหลายคนอยู่รวมกันเลือนหลังเล็กๆแกนี้อยู่กันตั้งสีคนอย่างนี้มันก็หาความสงบไม่ได้เลยผู้สนใจอยากไปไหว้พระภาวนาก็ไหว้ไม่ค่อยจะได้มันอึงนขะนึงกันไปนี่แหละอะเป็นนักบวชนี่อย่างนี้นี่โดยเฉพาะพวกอรั ญ, ญวาสีพวกอยู่ในป่า แล้วก็จัดระเบียบให้อยู่ผู้เดียวผู้เดียวหรืออย่างมากก็สองเช่นนี้มันมีโอกาสที่จะได้ทําความเพียรได้เต็มที่สงบทางงัดแต่แล้วผู้เป็นนักบวชมาอยู่ที่เชนนี้แล้วประมาทยิ่งเป็นความเศร้าหมองใหญ่ไม่ทําความเพียรเห็นแต่แกลับแกนอน เห็นได้แก่สนุกสนานอย่างนี้นะยิ่งมวหมองใหญ่นั่นเนี่ยถ้าหากว่าตั้งอกตั้งใจทำความเพียรลงไปจริงๆไม่เห็นแก่หลับแกนอนเป็นผู้ตั้งความมั่นความขยื้อนลงในใจอ ย, ยู่อย่างมีระเบียบให้สะอาดทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกหมายคือเมื่อสถานที่อยู่ที่อาศัย อะไรต่ออะไรก็ให้สะอาดสะอา้านไม่ให้รกลุงลังอ่านี่เรียกว่าสะอาดภายนอกสะอาดภายในกายวาจาใจก็สํารวมด้วยดีสํารวมด้วยศีลสํารวมกายวาจาด้วยศีลสํารวมใจด้วยสมาธิสํารวมปัญญาด้วยการคิดด้วยการพิจารณา เหตุผลต่างๆพิจารณาค้นหากวามจริงของชีวิตสำรวมสมาธิกับพยายามแพ่งจิตให้สงบให้ดีวารณะธรรมมันระงับออกไปจากดวงจิตนี้<ม>ก็อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอารยาชนเรว่าบุคคลผู้ที่พยายาม พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆคนเรานี่พูดกันสั้นๆว่าถ้าไม่เพียรพยายามละกิเลสออกจากกายวาจาใจนี่แล้วไม่มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเบื้องหน้าไม่มีมีแต่จะเสื่อมลงไปจะเป็นก็เลือดหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามจเจริญไปไม่ได้ชีวิตนี่ย น, นเนี่ย อย่างผู้ที่เป็นเครือข่ายอย่างนี้นะเมื่อไม่มีข้อวัตปฏิบัติไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจความเจริญด้วยพลค้าสมบัตินั้นจะมีไม่ได้ความเจริญด้วยเกียรติยศชื่อเสียงอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้คนไม่มีข้อวัตปฏิบัติไม่มีระเบียบอยู่กันอย่าง เขาเรียกว่าคนอยู่ป่าอยู่เขาเน อ, อะอย่างนี้มันก็ไม่มีนะเกียรี่ยศชื่อเสียงคนผู้ที่เขาเจริญนะด้วยราบยศเสนเสรนต่างๆนะเขามีระเบียบเรื่องมันนะบ้านอาคารบ้านช่องอย่างนี้ก็อยู่กันอย่างสะอาดสะอาดไม่อยู่กันอย่างสงกปรกโสมม ที่อยู่ที่กินโรงครัวอย่างนี้นะก็ต้องรักษาให้สะอาดสะอ้านไม่สกรปรกไม่มีกลิ่นเหม็นอไม่ทิ้งเศษอาหารให้เกินกาดไปทั่วส่งกลิ่นเหม็นรอบโรงครัวอะไรหมดนี่นี่คนชั้นสูดีเขาเขาไม่ทํากันนะอย่างนี้เลย เศรษฐังเขาจึงได้เจริญอจึงได้เกิดในถิ่นฐานที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไอคนที่ชอบสกปรกโสมมมชอบไม่มีระเบียบอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบอย่างนี้นี่กรรมมันก็คัดให้ไปเกิดกับคนป่าคนดอยอไปเกิดในถิ่นที่ไม่เจริญไม่มีระเบียบ เพราะมันชอบอย่างนั้นนี่กรรมมันกระซับให้ไปเกิดอย่างนั้นเลย อ, อยู่อย่างส ก, งกโปกโสมมกินอย่างสกโพกทำความสะอาดให้เก่ตัวเองก็ไม่เป็อมอย่างนี้มันควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนี่แหละคำว่าสันเลขาปฏิบัติสันเลขาทรรมให้เพึ่งเข้าใจ แปลว่าทมอันเป็นเครื่องขัดเกา่ากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยดีมเมื่อกี้กิเลสตัณหาเรานี่มันเบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไหร่ผู้นั้นก็มีความสุขความสบายใจจิตใจก็มีอิสระเสรีไม่ถูกกิเลสมันเผาเอาไม่ถูกกิเลสมันบังคับ ให้ทําความชั่วนี่ในที่ว่าจิตใจไม่มีอิสระเสรีนั่นก็หมายความว่าปล่อยให้กิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจแล้วกิเลสันมันบังคับให้ทําบาปด้วยกายด้วยวาจานั่นมันบังคับให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต น้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายกิเลสมันบังคับไปไปลักไปฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือว่าให้กี้ให้ปล้นข่าเจ้าเอาของมูนี้แหละเอากิเลสความรักความใครมันบังคับให้ไป เล่นทู่กับเมียของคนอื่นกับผัวของคนอื่นอมนูนี่กิเลมันบังคับให้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอมูนี่ร่นแต่บาปทั้งนั้นเลยบาปทางกายอันนี้น ะ, อะเอากิเลสอีกแค่นิดหนึ่งมันบังคับให้ชอบพูดเท็จ พูดหลอกลวงชอบโกงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตอนกิเลสบางอย่างมันบังคับให้ชอบพูดสอเสียดยุโยงคนอื่นให้แตกกลางสามัคคีกันกิเลสบางอย่างาามันชอบบังคับให้คนเรานั้นพูดคําหยาบโลนต่อผู้อื่นเอพูดถึง โอดพ่อโอดแม่ด่ากันไปพูดถึงเใช้คำพูดว่าไอมา้ม้าไอ้เปรตไอ้แมวไอ้อะไรต่ออะไรเํยใดที่เป็นคาอยาบโลนต่างๆก็ชอบพูด อ, อย่างนี้เลยกิเลสบางอย่างมันชอบให้คนเราพูดเพ่อเจ้อเล้วไร พูดเล่นเล่นหัวหัวไปไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีเหตุผลอะไรอชอบพูดลอยลอยไปนั่นแหละพูดสนุบสนานไปเรื่องที่พูดตัณหาเป็นประโยชน์น้อยหนึ่งก็ไม่มีเมื่อเนี่ยดูตานิฐานดูคนเราเป็นอย่างนั่นแหละเมื่อไปรู้อํานาจแก่ตัณหาแก่กิเลสดังกล่าวมานี้แล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บังคับให คนเราทาชั่วด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็บังคับให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบไปบนวันนี้เห็นว่าทำบากไม่ได้บาปบาปมันไม่ได้ตัดตามสนองให้แก่บุคคลผู้กระทํามันไปได้รับทุกข์มันเนี่บุญไม่ได้บุญเห็นไปว่าบุญที่บุคคลทานี่เนะี่มันจะไม่อานวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทําบุญ นั่นกิเลสโมหะเมื่อปล่อยมันครอบงำจิตใจมากๆแล้วมันจะให้เกิดความเห็นผิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ทำบุญแล้ววันนี้ก็ไม่ลาบบาปแล้วเจอบาปก็ทำบาปเข้าไปเรื่ยแล้วเรื่องบุญแล้วก็หันหลังให้พ อ, อมันเห็นว่าทำไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนี้ นี่แหละคำว่าจิตไม่มีอิสระเสรีในตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วกิเลสมันก็บังคับให้ทำบาปทำกรรมหนาแน่นเข้าไปเรื่อยๆตายแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมท 4, ิทั้งสี่นนทภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าบาปมากอย่างนี้บาปหนักก็ไปตกนรก ถ้าบาปเบากว่านั้นก็ไปเป็นเปรตถ้าเบากว่นั้นลงมาก็เป็นอตุรกายถ้าเบากว่นั้นก็มาเกิดเป็นปสดัดเดริขนอืมนี่แหละความชั่วนะมันให้ผลเป็นทุกข์ตามลำดับของความชั่วที่ทำหนักหรือเบา อ, อันนี้ไม่มีใครสร้างไว้ อันสถานที่ทนทุกทรมานของบุคคลผู้ทําชั่วนี่กรรมชั่วของบุคคลเราที่ทํานี่แหละหากตกแต่งให้ไม่ใช่อื่นไกลอะไรไม่ใช่ใครไปสร้างไว้ให้ใครเพราะฉะนั้นทุกคนให้พิจารณาให้มันเห็นว่า ตอนนั้นมีอิสระเสรีจากกิเลสปาประธรรมเหล่านี้แล้วหรือยังเออันนี้เนะี่ยมันหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะต้องพิจารณาเอาเมื่อเห็นว่าตอนนั้นยังไม่มีอิสระเสรีจากกิเลสปาประธรรมเหล่านี้นะนั้นนีลยก็ต้องตั้งความเพียนลงตั้งสันเลขาธรรมน้อมเอาธรรมะเหล่านี้ความ ประดับกายวาจาใจของตนเข้าไปอย่าเพียงแต่สักว่าเรียนรู้จำไว้ได้เฉยๆหรือว่าได้ยินได้ฟังมาเฉยๆแล้วไม่น้อมเอาธรรมะนี่เข้ามาสู่กายวาจาใจของตนกิเลสตัณหาบาปประทำต่างๆอันที่ตนลุ่มหลงสร้างเอามันมาแต่อนเอกนกชาตินี่มันก็จะไม่ได้ถอนออกไปจากจิตใจนี้เลย มันก็จะก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้แหละเลยไปอันนี้น่าคิดนะคิดดูให้ดีถ้าหากว่ามันไม่มีกิเลสไ ม, ม่มีทุกข์ครอบงามตัดโลกทั้งหลายดังกล่าวมานี่ผู้สร้างบารมีปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีนี่โดยเหตุผลนะ่าคิดให้มันเห็น เด็ที่จะมีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั้นก็ท่านผู้เช่นนั้นนได้มองเห็นจากโลกทั้งหลายนั้นไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดกิเลสปาประธรรมหรือระงรับทุกข์ทางใจนี้ได้เลยไม่มีไม่มีปัญญาที่จะมาระงรับกิเลสปาประธรรมและกองทุกข์พอการกายวาจาใจอันนี้ได้ ด้วยตนเองถต่ต้องได้ฟังจากผู้อื่นต้องได้เห็นตัวอย่างจากผู้อื่นก่อนแล้วถึงจะละชั่วทาดีได้ท่านผู้มีปัญญามากนั้นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วทําบุญกุศลลงไปแล้วจึงได้ตั้งปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระพุทธเจ้า ดับขันเข้าสู่พระนิพพานที่ร่วงมาแล้วนั้นมากกว่าเม็ดทรายในท้องหมหาสมุตรทะเลเพราะพระเจ้าทรงแสดงไว้นะไม่ใช่น้นนอยๆนะโอ้มันก็เป็นความจริงแหละเพราะว่าอาศัยเวลานานเขาว่านี่คิดทบทวนย้อนหลังคืนไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยนั่นแหละ พระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกแล้วทรงแสดงคำโปรดสัตว์โลกให้ลงมือปฏิบัติตามผู้ใดอินทร์บา ร, รมีแก่กล้าแล้วก็บรรลุมรรผลธรรมวิเศษหมดอายุสังขารแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานจะเป็นอนว่าพ้นทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความทุกข์โศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่าง ไปได้ผู้ใ ด, ดยังมัวมาประมาทอยู่มากไม่ได้ปฏิบัติตามคำตัางสอนของผูต่อเจ้าผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมกิเลสบาปธรรมมันก็สุดขล้าไปสู่ทุกติภูมิมีนรกเป็นต้นดังกล่าวมานั่น คนจากนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นตัดคนทุกข์ทรมานอยู่จากความเป็นคนนี่ก็ไม่น้อยอ้าวก็เกิดเป็นคนมาแล้วบังเอิญได้ไปคบกับคนพาลคนชั่วเข้าไปจะไปทําบาปทำกรรมเข้าไปอีกตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอาปายภูมิอีกต่อไป คนจากนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนี้แหละจนกลัวจะได้พบกับนักปราบมันดิืมถือว่าได้พบจากได้พบกับพระโพธิสัตว์ก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็มีพระโพธิสัตว์นั่นแหละท่านเกิดขึ้นมาในโลกเช่น เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชอย่างนี้นะมีบุญญาโนภาพมากสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนให้ละท้วงทำดีตามได้เพระพระองค์เพียบพร้อมด้วยพระลูกพระโฉมพระวาจาก็ไพเราะอ่อนหวานอย่างนั้นแล้เวเปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอันยิ่ยงใหญ่ผู้ใดได้เกิดร่วม ในสมัยที่มีพระเจ้าจากาักรพรรดิราชบังเกิดผู้นั้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลได้สร้างบารมีตามพระเจ้าจากาักรพรดิราชนั้นไปหรือว่าไปพบพระโพธิสัตว์ซึ่งไม่ใช่พระเจ้าจากาาักรพรรดิราชก็ตามเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยพระพิษสรรารคลองธรรม สงฆ์ข้ออนาปชาราชจรให้อยู่เย็นเป็นสุขชักชวนให้ทําบุญให้ละบาปบุญนี้แหละอะก็ได้ละบาปบปําเพ็ญบุญตามแต่ถ้าผู้ใดเกิดมาได้พบนักปราชญ์บัณฑิตอย่างนี้ได้เลื่อมใจนับถือนักปราชญ์ได้ละชั่วทําดีตามอชีวิตของคนนั้นก็ถึงจะเจริญขึ้นไปได้วันนี้จึงจะมีความสุขความเจริญขึ้นได้ อย่างเช่นพุทธศาสนกชนที่เกิดมาในชาตินี้เลยผู้ใดมีบาป ก, กรรมเบาบางไปมีบุญกุศลเป็นนิตายปัจจัยติดตามมาแต่ก่อนเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดทัดทตาเลื่อมใสในแนวทางปฏิบัติยินดีน้อมรับเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตาม บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในกายวาจาใจของตนเป็นผู้เว้นจากฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นจากรับทรัพย์เป็นผู้เว้นจากประพฤติในกามเว้นการดื่มน้ำเมาสือสราเมรัยเป็นต้น อ, อย่างนี้แหละเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทาน เป็นผู้ยินดีในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่เกลียดข้านไม่เห็นแก่วความยากความลำบากพาเพียรพยายามเจริญธรรมทะทำใจสงบลงไปพาเพียรพยายามเจริญวิปัสสนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้า 4, อันนี้ให้เห็นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเสมอไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้นนะสอนใจให้เพ่งพิจรารณาให้เห็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเช่นนี้มันก็จะถอนอัตตาโนสิท ธ, ธิออกจากจิตใจได้ถอนออกไ้หมดก็เรียกว่าเบาบางถอน ความเห็นที่ว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่นะนั่นแหละผู้ใดสำคัญว่ามีตัวมีตอนอยู่มันก็เกิดมานะแข็งกระด้างไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของผู้เผยเจ้าแล้วผู้ใดถือตัวจัดนั่นแหละคนที่ปฏิบัติตามคาสอนของผู้เผยเจ้าได้นั่นเพราะเป็นผู้ไม่ถือเนื้อถือตัว เปนผู้มองเห็นขันหนานี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเขมาโมวถือมั่นไว้ทําไมออทําอย่างไรจะได้บุญได้กุศลทําอย่างไรจะเป็นจะทาละกันออนดางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ลงมือปฏิบัติเอาเลยอืเป็นการกราบการไหวอย่างนี้นะกราบลงไปเพื่อถอนที่สีมันหน้าออกจากจิตใจ การทำความดีทุกอย่างโมอนลว์จะเป็นการถอนกิเลสออกจากหัวใจนะ่ะทั้งนั้นแหละถ้าพูดรวมๆ ล, ล, ลงมาแล้วนะ่ะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดนะการทำความดีทุกอย่างเพื่อถอดถอนกิเลสอันมันหมักนองอยู่ในจิตใจนี่ให้ออกไปเช่นอย่างการทำทานอย่างนี้นะการสละสิ่งของ ที่ตนหามาได้โดยความยากลำบากออกไปให้แก่บุคคลที่ควรให้หนี่จะเป็นการถอ น, อ ค, อนความโลภความตนีความมองเห็นนี่ออกจากจิตใจออกไปอย่างนี้แหละอา้าการสำรวมในสินการสมทานมั่นในสินก็ดีการเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้เกิดขึ้นในใจก็ดีโมลีลวนแต่เป็นการถอนความโกรธความพยายาม ให้ออกไปจากกิจใจนี้ให้เบาบางออกไปถ้าถอนไม่หมดก็ให้เบาบางออกไปนั่นแหละการฟังธรรมการภาวนาการเจริญธรรมะวิปัตนาเป็นการถอนความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในชีวิตนี้ตามความเป็นจริงให้เบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ นี่กล่าวโดยสรุปในความหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นสันเลขะปฏิบัติเป็นเครื่องขัดกลี่ยกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงจากราคะโทสะโมหะมานิฐิกระพังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายดังแสดงมา